ชิมพลีจะมะหานามังอินทราพรห ม, มาจะปูชิตังสพะลาพังประสิทธิเมเถรรสานุภาเวนะสัทธาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราพรห ม, ม, มาจะปูชิตังส Number. พะลาพัง ป, ประสิทธิเมเถร <trong S 1> รสานาาุาภมมาเวนะ สัทธาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราพรห ม, มาจะปูชิตังสภะลาพังประสิทธิเมเถรัสนุภาเวนะสัทธาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราพรห ม, มาจะปูชิตังสภะลาพัง ประสิทธิเมเถรรสานุภาเวนะสัทธาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราพรมมาจะปูชิตังสพะลาพังประสิทธิเมเถรรศานุภาเวนะสัทธาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามัง อินทราพร ม, มาจะปูชิตังสภพลาพังประสิทธิเมเทรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปียังมะมะชิมพลีจะมหานามังอินทราพร ม, มาจะปูชิตังสภพลาพังประสิทธิเมเทรัสานุภาเวนะสัทธาสุขี ปียังมะมะฉิมพลีจะมหานามังอินทราพรห ม, มาจะปูชิตังสัพภะลาพังประสิทธิเมเถรัสานุภาเวนะสัทธาสุขีปียังมะมะฉิมพลีจะมหานามังอินทราพรห ม, มาจะปูชิตังสภะลาพังประสิทธิเม